สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองร้อยสามสิบสองเรื่องคําอธิษฐานของพระเยซูทั้งที่เจ็ดวจนะของพระเจ้านะครับมัทธิวบทที่หกข้อเก้าถึงข้อสิบสามขอให้เราที่จะท่องคำอธิษฐานของพระเยซูพร้อมกันครับข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพวงทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์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 และขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจฤทธิเดชและพระศิลปเป็นของพระองค์สืบสืบไปเป็นนิดอาเมนพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าคนยิวอธิษฐานอย่างไรเขามีหลักการในการอาธิษฐานอย่างไรเพราะเที่ถ้าเราจะรู้ถึงหลักการ ในการอธิษฐานของคนยิวเราก็จะเห็นถึงคุณค่าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดมากของคำอธิษฐานที่พระเยซูตรัสสอนพวกเราให้อธิษฐานพี่น้องครับนี่เป็นเหตุที่ทำให้เราจะต้องกลับไปศึกษาดูวิธีการที่คนยิวเขาอธิษฐานและแหล่งความรู้ที่เราจะมีในการศึกษานี้ก็จะมีหนังสืออยู่สองชุดนะครับ หนังสือชุดแรกซึ่งเป็นหนังสือของคนยิวเป็นหนังสือชุดอธิบายพระกัมพีเดิมของคนยิวที่เขาเรียกเป็นภาษานะครับของเขาว่ามิชนานะครับมิชนาหรือมิดราชนะครับมิดราชหรือมิชนาเนี่ยนะครับเป็นหนังสืออธิบายหนังสืออธิบายนี้ได้กล่าวว่ากษัตริย์ที่เป็นมนุษย์นั้นสามารถฉดับฟัง คนพูดพร้อมๆกันได้คราวละสองสามคนถ้ามากกว่านั้นก็จะฟังไม่รู้เรื่องแต่พระเจ้าของเราไม่ใช่เป็นเช่นนั้นเพราะทุกคนสามารถอธิษฐานต่อพระเจ้าได้พร้อมๆกันในทุกคนทุกแห่งพระองค์ก็สามารถที่จะสะดับฟังทุกคนได้ในเวลาเดียวกันหูของมนุษย์อาจจะเมื่อยล้าต่อการฟังแต่พระกันของพระเจ้านั้นไม่เคยเมื่อยล้าและพระองค์ไม่เคยเบื่อหน่ายคาอธิษฐานของมนุษย์ทีนีงครับ คนยิวซึ่งเป็นพวกรับใบหรือรับบีนะครับหรือพวกธรรมอาจารย์นั้นยังสอนต่อไปอีกว่าการอธิษฐานนั้นจะต้องกระทำอย่างสม่ำเสมอต้องสอนให้มีนิสัยที่จะชอบอธิษฐานและเลิกนิสัยที่จะชอบอธิษฐานตอนมีทุกข์และสิ้นหวังเท่านั้นเป็นหลายหลคนนะครับเวลามีทุกข์หรือว่าเวลาเวลาสิ้นหวังหมดหวัง มีความลําบากเกิดขึ้นจึงค่อยมาอธิษฐานแต่คนยิวนะครับในหนังสือมิชนานะครับหนังสือมิตราชนะครับก็บอกว่าเราต้องสอนให้คนเลิกมีนิสัยที่ชอบอธิษฐานตอนทุกนะครับเราต้องสอนให้ที่น้องของเรานั้นมีอุปนิสัยในการอธิษฐานแม้ว่ายามสุขหรือทุกยามเจ็บป่วยหรือสุขสบาย บางคนคิดว่าการให้ทานนั้นเป็นเสมือนกับร่มชูชีพที่เขามีนะครับแล้วก็จะรู้สึกอบอุ่ใจรู้สึกปลอดภัยแต่หวังว่าไม่ต้องใช้มันนะครับมีความหมายในเชิงประชดประชันนิดหน่อยนะครับก็ ค, คือว่าเรามีเครื่องมืออยู่กับตัวครับเรามีเครื่องช่วยชีวิตมีร่มชูชีพอยู่กับตัวแต่ หวังว่าไม่ต้องไปใช้ร่มชูชีพนั่นคือการอธิษฐานนั่นคือความเข้าใจผิดนะครับเพ mm ีย hmm. งครับในหนังสืออีกชุดหนึ่งครับซึ่งเป็นหนังสือรวบรวมขนบธรรมเนียมประเพณีของคลุนยู mm hmm. เมื่อสักครู่นี้ครับมิชนาเนี่ยหรือมิสแฟร์ชันครับก็พูดถึงเรื่องของอถธิบายพระคัมพีเดิมนะครับอธิบายก็คืออธิบายความขยายความ mm hmm. แต่หนังสืออีกชุดหนึ่งครับที่พูดถึงขนบธรรมเนียมที่ ทาสืบต่อกันมาเป็นประเพณีนะครับนิยมหนังสือเรียกว่าหนังสือทารุณนะครับหนังสือทารุณนี้สอนเรื่องเกี่ยวกับการอธิษฐานนะครับและพูดถึงเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับยกตัวอย่างเช่นครับจงให้ความเคารพนับถือหมอก่อนที่คุณจะไปหาเขาก่อนที่คุณจะต้องการหมอเพราะเจ้าจัดว่าเพราะเราเป็นผู้ประทานฝนในน้าค้างให้กับพืชพันธุ์เจริญเติบโต เราเป็นคู่บำรุงเลี้ยงมนุษย์ฉะนั้นทั้งหลายจงอธิษฐานต่อหน้าเราและจงสันเสริญรธุรกิจของเราทั้งหลายอย่าได้กล่าวว่าถ้าพรงศ์เจริญมั่งคั่งแล้วเขตไหนถ้าพงศ์ต้องอธิษฐานแต่จงอธิษฐานก่อนที่เคราะห์กรรมจะมาถึงท่านพี่น้องครับเห็นไหมครับว่าชาวฮิวแมนมีทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องของการอธิษฐานและมากยิ่งกว่านั้นอีกนะครับ เขายังเชื่อด้วยนะครับว่าการอภิษฐาน ต, ต้องประกอบด้วยหลักการต่างๆเหล่านี้นะครับพี่น้องครับพี่น้ององฟังดูนะครับหนึ่งต้องมีการสรนเสริญด้วยจิตใจแห่งความรกักอ้างพระวจนะพระเจ้านะครับในรูดีบทที่สี่บทบที่สามสิบสี่ข้อหนึ่งครับข้าพเจ้าจะสันเสริญพระเจ้าตลอดไปทาสรรเสริญพระองค์จะอยู่ที่ปากของข้าพเจ้าเรื่อยไป กรดูดีบทที่5 1ข้อ15ครับ5115ครับกล่าวว่าข้าแต่องค์พระปูเป็นเจ้าขอทรงเปิดดิงผีปากของข้าพรงค์ในปากของข้าพรงค์จะสําเดงการสันเสริญพระองค์เห็นไหมครับนี่องค์ประกอบแรกของกรรมวิธานั้นหลักการประการแรกก็คือจะต้องสันเสริญด้วยจิตใจที่จะรักพระเจ้านะครับองค์ประกอบที่สองครับ หลักการประการที่สองก็คือต้องมีการโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าในพระธรรมโยนาบทที่สองกล่าวนี้ครับว่าถ้าพระองค์จะถวายสัตวบูชาแด่พระองค์พร้อมด้วยเสียงโมทนาพระคุณที่น้องครับเมื่อเราอาธิษฐานนะครับจะมีวันหนึ่งครับที่เราจะไม่ไม่ต้องอธิษฐานทูลขออะไรอีกแล้ววันนั้นก็คือวันที่เรากลับไปอยู่ในพระสวงของพระเจ้า เราไม่มีความทุกข์ยากลําบากเราไม่มีความต้องการเราไม่มีความหิวโหยเราไม่มีเสียงร้องไห้เราไม่มีน้ําตาแล้วนะครับเราไม่มีความเจ็บปวดไม่มีความทุกข์ทรมานไม่มีความต้องการใดๆแล้วเพราะว่าสิ่งที่เรามีอยู่นั้นก็คือความสมบูรณ์ก็คือได้พระเจ้าได้พบกับพระเจ้านั่นถือเวการสมบูรณ์ที่สุดเพราะฉะนั้นคําอธิษฐานในเชิงของการขอจะไม่มีต่อไปครับ แต่จะมีการโมทนาพระคุณของพระเจ้ามีแต่การขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ตอนนั้นเราได้เรามีอยู่หลักการประการที่สามครับความรู้สึกยำเกรงความรู้สึกเคารพต่อความบริสุทธิ์ของพระเจ้าชาวยิวนั้นถือว่าพวกเขานั้นไม่ได้ถือปฏิบัติราวกับว่าพระเจ้าเป็นมนุษย์ครับแต่พวกเขาตระหนักดีครับว่าเมื่อเขาเข้ามาทีฐานนั้น เขาจะต้องถวายบูชานะครับเขาจะต้องลบบากของเขาเพราะเขาได้เข้ามาอยู่จำพ่อพักของพระเจ้าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่หน้าเกรงถามพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์นะครับ ยกตัวอย่างอิสยาเข้ามาอยู่ปรเพราะจำเพาะพระพักพระเจ้านั้นอิสยากล่าวไว้นะครับในอิสยาบทที่หกข้อห้าว่าวิบัติแก่ข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าที่นาศแล้วเพราะข้าพเจ้าเป็นคนลิมฝีปากไม่สะอาดเพราะข้าพเจ้าอยู่ในหมู่ชนชาติที่ลิมฝีปากไม่สะอาดเพราะในตาของข้าพเจ้าได้เห็นกษัตริย์คือพระเจ้าจอมโยธาพี่น้องครับเมื่อเราเข้าเฝ้าพระเจ้านั้นเมื่อเราได้พบกับพระเจ้าเรารู้ครับว่าเราไม่สมควรได้พบเพระ อ, อะไรครับเพราะว่าเราเป็นคนบาปเราเป็นคนที่มีมนทินนะครับ วิบัติครับวิบัติสําหรับคนที่เข้าฝ้าพระเจ้าที่ไม่สะอาดครับนี่คือความรู้สึกเคารพยําเกรงต่อความบริสุทธิ์ของพระเจ้าประการที่สี่ครับเราจะต้องมีหลักอยู่ในเรื่องของการอธิษฐานของคนยิวนะครับก็คือความปรารถนาที่จะเชื่อฝังพระเจ้าห้าทีคุณนคติแห่งการเชื่อฟังต้องเต็มครับเต็มร้อย เขไม่มีผู้ใดอธิษฐานจนกว่าจิตใจของเขาจะรู้สึกว่าสิ่งนั้นถูกต้องเหมาะสมพี่น้องครับโปรดฟังครั้งนี้ครับไม่มีผู้ใดจะอธิษฐานจนกว่าจิตใจของเขาจะรู้สึกว่าสิ่งนั้นถูกต้องเหมาะสมนี่คือคาสอนของคนยิวนะครับพระธรรสวดีบทที่หนึ่งร้อสิบเก้าได้เตือนทั้งแล้วทั้งเล่าว่าดินของท่าพงจะร้องเพลงเรื่องพระดํารักของพงเพราะพระดํารักพระบัญญัติทั้งสิ้นของพงนั้นชอบทำ แท้จริงแล้วนะครับจิตใจของคนยิวเวลาที่เขาเทศฐานนั้นจะไม่ปิดกั้นสิ่งใดไว้แต่เขานะครับคนยิวนั้นจะเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังด้วยค่าที่การเชื่อฟังอย่างสุดจิตสุดใจนะครับด้วยความปรารถนาที่จะทําให้พระเจ้าทรงพอพระทัยนี่คือคําสอนของคนยิวนะครับต่อไปครับหลักประการที่ห้าการสารภาพความผิดบาป พ, พวกยิวนั้นรู้นะครับว่าพวกเขาเป็นคนที่ไม่สะอาด จำพอพระรักของพระเจ้าเขาจะต้องสารภาพบาปครับดาวิดสารภาพบาปก่อนที่จะเข้าพ่อพระเจ้าดาวิดเขียนไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่ยี่สิบหกข้อที่หกนั้นว่าข้าแต่พระเจ้าเพื่อความบริสุทธิ์ข้าโร่งชำระมือและเดินอยู่รอบแท่นของโปรง่งผู้ใดจะขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้าและผู้ใดจะยืนอยู่ในวิสุทธิสถานของโปร่งได้ก็คือ ผู้ที่มีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์เห็น้องครับนี่คือหลักการที่สำคัญนะครับประการที่ห้าเราจะต้องสารภาพความผิดบาปของเราประการที่หกครับเราจะต้องไม่เห็นแกต่ตนเองฝ่ายเดียวในการอธิษฐานนั้นทัศนะของคนอยู่ถือว่าการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนหรือเป็นคอมมูนิตี้นั้นเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนมากเป็นเรื่องที่จะต้องการเห็นแก่ส่วนรวมนะครับ นั่นคือโซเชียลใช่ไหมครับนั่นคือ S A R ใช่ไหมครับพี่น้องครับพวกเขาคนยิวนะครับเป็นพวกชาติยิ่มที่ถือว่าการปกครองสูงสุดนั้นมาจากพระเจา้าการที่อิสราเอลยังคงดำรงอยู่เป็นชาติหนึ่งได้นั้นแสดงให้เห็นถึงว่าเขานั้นมีความเอกภาพคือยึดมั่นในเอกลักษณ์แห่งชนชาติของเขาไว้อย่างเหนียวแน่นนะครับ เขาจะมี the price of our nation ก็คือนะรครับคือทุกคนต้องเห็นแก่ส่วนรวมคำอธิษฐานของเขานั้นจะครอบคลุมถึงคนส่วนรวมทั้งหมดครับโดยไม่ค่อยแยกส่วนบุคคลไม่ค่อยแยกความต้องการส่วนบุคคลเขาออกเพราะฉะนั้นนะครับผมยอยากยกตัวอย่างครับอาจารย์สอศาสนานยิวนะครับอธิษฐานไว้อย่างน่าสนใจว่าข้าแต่พระเจ้าขออย่าสดับฟังคาทูลขอของคนเดินทางคนนั้นเลย พี่นองครับพอเลยครับเพราะคนเดินทางนั้นอาจจะย์ทิศฐานทูลขอสภาพอากาศที่ดีช่องฟ้าแจ่มใสฝนอย่าให้ตกแต่อาจารย์สอนศาสนานหรือรับไปคนนั้นได้บาททิศฐานบอกว่าถ้าแต่พระเจ้าขออย่าสดับฟังคําทูลขอของชายคนนั้นชายคนที่เดินทางคนนั้นเพราะเขาเดินทางคนเดียวเขาท่องเที่ยวมีความสุขเขาก็ต้องขออากาศที่แจ่มใสแต่ในขณะที่คนอื่นๆนะครับต้องการฝนสําหรับพืชพันธุ์ของพวกเขา พี่น้องครับจะเห็นนะครับว่าการอธิษฐานนั้นจะต้องไม่เห็นแก่ตัวครับเราส่วนใหญ่นะครับอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าของข้าพรงคของข้าพรง์ของข้าพระง์แต่ชาวยิวบอกว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระงค์ทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าแห่งประชาชาติประชากรของข้าพง์ทั้งหลายพี่น้องครับนี่คือคําอธิษฐานและสังเกตดูนะครับในคําอธิษฐานของพระเยซูก็เช่นเดียวกันครับเราจะไม่พบสัรพนามที่เป็นเอกพจน์เลยนะครับ มีแต่ว่าถ้าแต่พระบิดาแข่งข้าพง์ทั้งหลายนะครับขอโปรดประทานอาหารประวับแก่ข้าพงษ์ทั้งหลายขอทรงโปรดยกบาปของข้าพงษ์ทั้งหลายยกโทษผู้ทำผิดต่อข้าพง์ทั้งหลายพี่น้องครับนี่คือคําอธิษฐานที่ไม่เห็นแก่ตัวต่อไปครับเป็นเรื่องที่เจ็ดนะครับความภาคเพียนครับความภาคเพียนพวกเขาสอนกันนะครับว่าการอธิษฐานนั้นจะต้องไม่เลิกลา จะต้องอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจะต้องอธิษฐานแบบวิงวอนครับเพิ่มพีได้ทําให้เราเข้าใจว่าหลังจากที่พวกอิสราเอลนะครับตอนั้นที่เขาออกจากอียิปต์นะครับเขาอยู่ในถิ่นช่วกระนันวนเวียนอยู่นะครับเขากราบไหว้รูปปัวทองคาโมเสยนั้นได้เฝ้าอาธิษฐานทูลวิงวอนเป็นเวลาถึงสี่สิบวันด้วยกันเพื่อขอพระเจ้าอภัยโทษที่เราไปเห็นนะครับว่าโมเสสนั้นเป็นตัวอย่างความภาคเพียนเขากดอาหารอธิษฐานนะครับ เพื่อทูลขอพระเจ้าให้อภัยโทษกับประชากรของเขาอาการสุดท้ายครับก็คือความสมสุกาพยิ้วแท้นะครับจะที่ฐานมอบถวายตัวเองให้เป็นไปตามน้ำมันไทยของพระเจ้านะครับการทีษฐานทูลขอไม่ใช่ให้พระเจ้าท ำ, ท ำ, ทำความปรารถนาของเราแต่เป็นการมอบตัวเองให้เป็นไปตามน้ำมันไัยของพระเจ้าและเขียนนะครับพระเยซูอธิษฐานในสวนเกสมเนว่าอย่างไรก็ดีอย่าให เป็นไปตามใจของข้าพระองค์แต่ขอให้เป็นไปตามพระไตยของพอระองค์เถิดพี่น้องครับเป็นอธิษฐานนั้นเป็นการมอบตัวให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นการทูลขอให้พระองค์ช่วยเราชื่นชมินดีที่จะเป็นไปตามนั้นนี่คือตัวอย่างของคนยิวนะครับที่เขาอธิษฐานแต่ครับแต่สภาพเป็นจริงผู้นําศาสนาของคนยิวนะครับพระเยซูตําหนิเขา นะครับเราจะมาดูต่อไปครับว่าแท้จริงแล้วในขณะที่ชาวยูวได้รับบรดกแห่งการอธิษฐานอันแท้จริงซึ่งเป็นส่วนประกอบของชีวิตในการดำเนินชีวิตแต่ละวันนะครับในการที่จะติดตามพระเจ้าเป็นขนบธรรมเนียมของคนอยู่แท้ครับแต่สิ่งที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นเพราะอาธิษฐานนะครับบางคนชาวยู่บางคนหรือผู้นําศาสนานั้นอธิษฐานแบบคนหน้าชื่อใจคดนะครับคนหน้าชื่อใจคดก็คือว่าเพื่อให้คนอื่นเห็นครับ ว่าเขาเป็นซูเปอร์ซูเปอร์จวซเปอร์จวนะครับเพราะฉะนั้นการอธิษฐานอดอาหารของเรานะครับก็จะไม่เรียนแบบคนเหล่านี้ก็คืออดอาหารเพื่อให้คนทั้งปวงได้เห็นคนทังง้งเบืองคนทั้งปวงจะยกจ้องว่าเราเป็นซูเปอร์คิดเตียนอยู่เหนือคนอื่นนะครับอันนี้ก็ไม่สมควรอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นสิ่งไม่ถูกต้องพวกเขาพูดพลอยพลอยซ้รซากพวกเขาคิดว่าก็พูดมากหลายคานะครับ พระเจ้าจะสอบเขาพวกเขากําลังเห็นแก่ตัวครับพวกเขาแสวงหาสิ่งที่สนองความต้องการของตัวเองพวกเขาชอบแสดงให้คนอื่นเห็นพวกเขาพูดพ้อยๆคําำซากเหมือนคนต่างชาติกระทํกาก็คิดว่าทาอย่างนี้แล้วนะครับนะพราะคิดว่าพระเจ้าจะกระทําตามที่พวกเขาขอพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ผิดพลาดในการอธิษฐานของคนอยู่ในแง่ของปฏิบัติแล้วกลับมาดูนะครับว่า เมื่อเราเข้าใจเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะเข้าใจว่าคําอธิษฐานของพระเยซูที่สอนเราอธิษฐานนั้นมีความสําคัญมากทีเดียวครับเพราะว่าอยู่ในหลักการเหล่านี้ทั้งสิน้นและที่เหนือกว่าหลักการของคนยู่ก็คือพระเจ้าเป็นพระบิดาเป็นคุณพ่อของเราบนสวรรค์เขาไปช่วยแล้วนะครับในการในการมีชีวิตอธิษฐานที่เข้มข้นยิ่งขึ้น เข้าไปใกล้บัลลังก์ของพระเจ้ายิ่งขึ้นได้รับการสัมผัสมีความสัมพันธ์กับพระบีดาของเราบนสวรรค์อาเมน